พระทั้งหมดคงสามสิบสามรูปวันนี้ที่พระในวัดเราแต่ลงมาฉันมองมองไม่ครบองค์ที่ลาไปปีกไปวีเวกก็มีวันนี้คณะัาธาญาติโยมมาวัดขอรู้สึกว่าลดลงเพราะวันพุ่งนี้เป็นวันทำงานเป็นวันทำงานของพวกเราแหละ ครานี้ก็หลายวันวันนี้เป็นวันที่สวันที่สามมกราคมพุทธศักราช2555ส่วนราชการปิดมาตั้งแต่วันที่สาอจนถึงวันวันที่สวันที่สวันที่สี่เป็นวันเริ่มทำงานแต่ตามห้จริงการ งานส่วนราชการจุดประสงค์ส่วนใหญ่ก็คืออยากจะให้พี่น้องประชาชนคนในชาติออกไปทำกิจธุระที่นอกเหนือจากการลาได้บางทีก็มากราบพ่อแม่หรือว่าทำบุญโดยมากจะเป็นมากกราบผู้สูงอายุ ค, คือพ่อแม่ส่วนใหญ่ปิด เทศกาลปีใหม่สงกรานติปิดยาวก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมาเยี่ยมบ้านเปิดโอกาสให้พวกคนในชาติมาทำคุณงามความดีแต่ว่าพอเปิดมาแล้วมันก็ทั้งมีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งไม่ดีก็คืออย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็น ก็มีวันหยุดเยอะๆมีช่องว่างเยอะก็ไปหากินเหล้าเล่นการพนันดื่มสุราเมาแล้วก็มีปัญหาปัญหากับสร้างปัญหาแต่ตามที่จริงไอ้คนที่ทำเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะสร้างปัญหาหรอกแต่พอมันเมาขึ้นมานั่นแหละคือตัวปัญหาแต่ตามไม่จริงถ้าหางเมาเป็นไปได้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเมา จะไปดื่มทําไมอ่ะงดซะแต่ผมก็มีทางพูดออกหลายหลายทางเหมือนกันแต่รู้อยู่แล้วว่ามันเมาทำให้จะเอามาขายคนที่มาขายเขายังมีคนกินอยู่มันก็เลยเหมือนกับไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนกันลักษณะอย่างนั้นนะมาสรุปแล้วก็คือสรุปไม่ออก ก็ว่าไก่เกิดก่อนไข่ก็ไม่ใช่ไก่มันก็เกิดมาจากไข่มันก็เลยบกบนเวียนกันอยู่แต่ตามไม่จริงถ้าพวกเราเห็นโทษแล้วก็อันไหนที่เป็นคุณอันไหนที่เป็นโทษอันไหนควรมิควรอย่างไรพวกเราได้รับการศึกษาดีแล้วทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมเราก็ควรจะแยกแยะออก เราจะเดินลักษณะไหนเราจะเดินอย่างไรในชีวิตของเราอันนี้พวกเราควรจะคิดแหละท่านเนี่ยม่ใช่ว่าเดินไม่มีจุดหมายปลายทางพอจะทำสิ่งไหนก็ทำพอทำเข้าไปแล้วก็เสียหายพอเสียหายขึ้นมาก็เล้มาเสียใจเมื่อภายหลังอยู่ที่ไหนได้นู่นอยู่ในคกุกอยู่ในตารางแล้วหรือว่าทำให้คนอื่นเสียหายเดือดร้อนแล้วพ่อแม่ พี่น้องหรือว่าตัวเองล่มจมจิีพายลงไปแล้วแล้วจะแก้ไขยังไงทั้งที่เราเก็บหรอมลอมริฟตมาทั้งปู่ย่าตายายเก็บมาให้เราแต่พอเรามาทําความเสียหายหเกิดขึ้นซะทั้งไรทั้งนาทั้งที่ดินทั้งกิจการงานทุกอย่างล่มจมจิีหายไปเพราะเราะ สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องคิดอีกเหมือนกันนะนะขอให้ลูกหล า, านาท่านศรัทธาญาติโยมทุกหมูทุกเราที่หลวงพ่อเคยพูดแต่ว่าพูดให้ฟังว่าการดำเนินชีวิตนี่เหมือนกับไตรลวดเส้นเดียวอย่างคนโบราณเขาแต่เชือกเส้นเดียวคือความทดลองความแข็งแกร่งความพร้อมดุสติปัญญาความแข็งแกร่งของร่างกายและความมั่นคงของใจด้วย เดินไต่เชือกเช่นเดียวการดำเนินชีวิตของพวกเราหลวงพ่อไอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายดำเนินอย่างนั้นน่ะคือตื่นขึ้นมาต้องคิดว่าอันไหนควรมิควรอย่างไรอันไหนควรจะดำเนินการอย่างไรอันไหนควรก่อนอันไหนควรหลังถ้าเราอันไหนควรก่อนเราไปทำหลังมันก็ผิดถ้าอันไหนควรหลังเราไปทำก่อนมันก็ไม่น่าจะถูกต้อง อย่างพระในค้างร พ, าพระพุทธเจ้าพระภิกษุมีพระภิกษุองค์หนึ่งในวัดปอยเชิตะวันไปทําความเพียรขาหักล้มลขาหักโวยวายขึ้นมาเลยยุ่งยากทางวัดพระพุทธเจ้าพระสงค์อะไรไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่ามีพระเดินจงกรมแล้วไปพิงฝาพิงฝาเดินจงกรมคือตามไม่จริงทางเดินจงกรมเนี่ย พอเดินเสร็จแล้วก็ไปต้องยืนไปยืนหน่อยยืนเดินนั่งนอนฮะยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้แต่นอนโดยมากมันหลับแต่ท่านก็ไปยืนพอยืนทีนี้มันก็ง่วงนะมันไม่ได้เลือดปุ้งการยืนนั่มันไม่ง่วงไม่ใช่นะแต่ว่าง่วงช้าหน่อยท่านเองพอยืนเข้ามาเลยมันเพกตอกยังไงกั บ, บโลกขาเป็นงัดไม้ขาหัก พอขาหักขึ้นมาทีนี้ร้องโวยวายพระอยู่กลางคืน่แถวนั่นก็นเลยลุมมาลุมมาตุ่มกันมาอปฐมพยาบาลทําการพยาบาลภิกษุองค์นั้นที่ขาหักจากนั้นก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยมันเคยมามีเคยมีมาแล้วในอดีตการในพระองค์นี้ว่ากันนี่แหละมันเคยมีมาแล้วพระองค์นี่ สมัยนะั้นพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่วัดป่าเชตตะวันนะที่ว่าเนะี่ยเชตตะวันมหาวิหารพระสงฆ์ทะเลากราภูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าสมัยไหนพระเจ้าข่านะพะองค์นี้มีเรื่องอย่างนี้นะพระวโรงบอกว่าคือในในชาตินี้ในเดียวเนี่ยในวัดป่าเชตตะวันนะมีพระพิกษุด้วยกันสามสิบรูปบวชเข้ามา ที่แรกก็เป็นคราวาต์ญาติโยมได้มาฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าวัดป่าเชตตะวันเกิดความครบนับถือเลื่อมใสโอ้หาได้ยากที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเทศนาให้ฟังเราไม่ควรจะติดอยู่ในโลกอยู่ในโลกจะมีอะไรเกิดแก่เจ็บตายพวกเราควรจะหนีพอเกิดพบหน้าชาติหน้าก็จะได้วกุนเวียนอยู่ในโลกวัตฏะนีอีกเราควรจะหนีจากโลก อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเทศแนวอริยสัจ ส, สี่ทุกสมุทยัยนิโรธพักควรจะหนีออกจากโลกเราควรจะบวช ด, ด้วยกันเป็นสหายสหายกันสามสิบคนก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เออเอาบวชให้บรรพชาคือเป็นสมนเณะก่อนบรรพชาพอบวชบรรพชาเสร็จแล้วก็เลยต่อมากขมาบวชเป็นพระอุปสมบท เป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาจะนั้นก็อยู่กับสำนักพระพุทธเจ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ได้ห้าพรรษาพอห้าพรรษาแลยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าขอพระพุทธองค์ประทานกรรมฐานให้แก่ข้าพระองค์โดยเทินข้าพระองค์จะเข้าไปสู่ป่าละบาดเนี่ยพระองค์เลยให้กรรมฐานแต่ละองค์คือให้ถูกอุบกับอุปนิสัยอุปนิสัยแต่ละองค์พระองค์ประทานกรรมฐานให้ คือแนะนำกรรมฐานให้ภาวนาอย่างนี้อย่างนี้อย่นี้นะเปไ็นให้พระภิกษุสามองค์สามสิบ อ, องค์ก็ไปออกไปเดินป่าไปเขาไปอยู่ป่าโดงพงไปเขาไปอยู่หาแสวงหาที่สงบสงัดแล้วมีพระองค์หนึ่งที่เป็นลูกกระดุมพีคือว่าเป็นลูกคนมีอันจะกินมั้งนั่นกับบวชอยู่ในนั่นด้วยพอองค์นั้นมาโอ้ไปอยู่ป่าไม่ไหวหรอกออข้าจะต้องกลับมาเพราะข้า ไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอาหารกินเนี่ยอยู่ในที่ลำบากอาหารการบริโภคไม่มีอันจิกินค่าไปไม่ได้กลับมาสรุปแล้วคื อ, คอติดในในรถอาหารติดในรถอาหารไปไม่ได้ติดในที่พักพาใสาติดอยู่ในรถอาหารหกลับมาพอกลับมาแล้วก็พระพสูตยี่สิบเก้าองค์นี่รับภาวนาจำพรรษาอยู่ที่นู่น ภาวนาได้สําเร็จเป็นพระรหันธ์ทั้งหมดทั้งยีิบเก้าองค์เนี่ยพอได้สําเร็จเป็นพระรหันธ์แล้วก็กลับเข้ามากราบพระพุทธเจ้าเมื่อออกพรรษาแล้วพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็ถามว่าเป็นไงพวกเธอไปภาวนาพระเหล่านั้นก็บอกว่าภาวนาก็ได้หายสงสัยแล้วได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลด้วยกันหมดแล้วพระเจ้าค่ะปฎองค์โอ้ดีสาธุ ชาธุชาอนโมทนาพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจแปลว่าถึงฝั่งแล้วเราหายหว่วงละพวกท่านทั้งหลายถึงฝั่งอันนี้คือคือพระพุทธองค์ยกย่องกับพระภิกษุยี่สิบเก้ารูปแต่พระองค์ที่ไม่ได้ไปกับหมู่นะที่กลับมานะ่ะก็เลยโอ้เราควรจะภาวนาให้สำเร็จเหมือนกับพระองค์นั้นพระยี่สิบเก้าองค์นะ่ก็เลยมาเร่งภาวนานะ พอมาเล่นภานาที่นี่ก็มายืนอย่างที่ว่าน่ะขาหักจหกล้มลงโบยวายพระพุทธเจ้าก็เลยตาหนิว่าเนี่ยสิ่งที่ควรทำก่อนมาทำทีหลังควรทำควรที่ทำทีหลังไปทำก่อนอันนี้เนี่ยพระองนี่หน้าสิ่งที่จะทำก่อนน่าจะเล่นความภาคเปลี่ยนกับไม่ทำเนี่ยปล่อยปะละเลยหน้าตาหนิ ต่นี้ท่านก็นบอกพระองค์นี้เคยเป็นมาแล้วในอดีตชาติพระสงฆ์เหล่านั้นก็นเลยกราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าสมัยไหนพระเจ้าค่ะพระทงค์บอกว่าสมัยหนึ่งเราเป็นทิศสะปาโมกอาจารย์อยู่เมืองตะกัศีลานะมีคณะศิธิ์ทั้งหลายมาเรียนหนังสือกับเราเราก็สอนแต่วันหนึ่งพวกคณะศิธิ์เลยไปหาฝืนคือ สมัยนะั้นก็ต้องหาฟืนมาเลี้ยงตัวเองเลยหาฟืนทําอาหารเนะบางวันก็ไปตักตามเตรียมน้ำบางวันก็ไปเตรียมฟืนบางทีก็ให้ตําข้าวลักษณะอย่างนั้นอนะ่ะเนคือทําเปน็นวันๆพร้อมกันคณะสิบทันี้พวกนี่ก็ไปหาฟืนไอ้พระขี่เกียรนะินั่นพระขี่เกียรตินะมั้งตั้งชื่อว่าพระขี่เกียรติเหมือนไอ้พระขี่เกียรตนะินี่ยก็เห็นหมู่ไปหาฟืนตัวเองกับ เป็นนอนทั้งคนแล้ววะเหีหมูมายังค่อยยังค่อยหาก็ได้หลับฟื้น่ะก็เลยเอาเปรเอาผ้าไปมัดใจต้นต้นกลุ่มมางั้นะแอบก็นอนเปเซ้ยหลับทีนี้พวกหมูก็ไปหาฟืนฟืนกันได้คนละแบกละแบกกันมาตัวเองยังไม่ได้ฟื้นสักตุ่นเลยพอตื่นขึ้นมาเห็นหมูจะกลับแล้วทตัวเองจะเดินดุ่ยดุ่ยกลับตามลําพังกันยังไงอยู่ไม่มีฟืนเน่ะอายหมูเลย เลยคั้วขาไปเป็นอไปหักกิ่งต้นกลุ่มว่างั้อไปหักกิ่งต้นกลุ่มมันก็มันเหนียวแล้วมันยังไม่แนะไม่ยังไม่หักเนไยกิ่งกิ่งแห้งเพรมันแต่ไม่ยังไม่มันยังเหนียวอยู่เลยก็ชากประมาทั้งแรงไงกิ่งกลุ่มก็เลยแทะเข้าตาฮะแ้งก็จิ้มเข้าลูกกระตานไะโอ้โอโอวยวายเจ็บพวกหมูทั้งหลายก็เลยไม่รู้จะเอาอยัางไง ทังแปลกทงังฝืนด้วยทั้งจูงทั้งคน เ, เจ็บตาด้วยเทนี่เดินก็เดินไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตําหนิว่าเนี่แหละในอดีตชาติภาโอกเนี้ยมันเคยเป็นอย่างนี้มาทั้งที่หมูไปหาฝืนตัวเองกับกลับไปนอนนี่แหละอันนี้อันไหนอันไหนควรก่อนอันไหนควรหลังนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตําหนินี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ถ้าเราอ่านแลวเราได้ศึกษาดูแล้วเนี่ยจะมีคุณค่ามีประโยชน์เป็นแบบอย่างของพวกเราสมัยเมื่อน้อยหนุ่มเราควรทำตนอย่างไรเมื่อเท่าแก่ชราเราก็จะต้องได้ใช้เงินที่เราสอัแหวงหาเหมือนสมัยน้อยหนุ่มถ้าว่าเราไม่ได้สนใจสมัยน้อยหนุ่มกาลังมีกำลังวางชาเราไม่ได้เก็บหอมรอมริบอันนั้นท่านตำหนิใช่ไหมท่านบอกว่า เมื่อสมัยน้อยหนุ่มไม่ได้เตรียมพร้อมตมโมตมะปรายโนโชติคายคายกว่าสมัยเมื่อน้อยหนุ่มไม่ได้สนใจแต่ใหญ่ขึ้นมาก็ตั้งอกตั้งใจอันนั้นก็ยังดีอยู่แต่ถ้าว่าพวกเราทั้งน้อยหนุ่มก็ยังไม่ได้สนใจเท่าแกชรามาแล้วก็จะรับจะได้เงินได้สมบัติได้อย่างไร สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งทางโลกทั้งทางธรรมสรุปแล้วก็คือทางโลกก็ควรจะสแสวงหาทรัพย์หายศตํย์ตแหน่งทางธรรมก็เหมือนกันในสมัยน้อยหนุ่มเราก็ต้องพยายามเล่งความภาคความเพียรของเราอีกเหมือนกันพยายามศึกษาไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆพอเท่าแก่ชรามาก็จะมั่นขยันศึกษาได้อย่างไรนี่แหละอันนึงอันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง ขอให้พวกเราคณะสัทธ า, าติโยมลพระเนรของเราทุกองนะให้รู้จักหน้าที่สรุปแล้วให้รู้จักหน้าที่มันขยันหน้าที่ของเราอยู่ในสถานะนี้ควรจะทำอย่างไรเมื่อสมัยน้อยหนุ่มเราก็ต้องพยายามทุกปบ้างก็ไม่เป็นไรทุกข์คัดสาสะนันตลังสุขขังคนเราก่อนที่มีสุขได้มันต้องทุกข์ก่อนเออ มันต้องมีทุกก่อนในการเรียนหนังสือมันก็ทุกการทําการน้ำมันมันก็ทุกแต่ว่าการทารํางานทำงานด้วยการเรียนหนังสือนั้นมันจะมีความสุขเมื่อปลายมือเพื่อเราตั้งใจทําแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามมีแต่หาความสุขสำลานอ่านแล้วว่าสุขขัดสาสะนันตลางทุกขังผู้ใดแสวงหาความสุขเบื้องต้นคนนั้นจะมีความทุกเมื่อปลายมือ เมื่อเฒ่าแก่ชรามาแล้วก็ไม่มีอันจะอยู่จะกินเพราะว่าทรัพสมบัติไม่มีเพราะสมัยก่อนมีแต่เที่ยวมีแต่เล่นไม่ได้สนใจในการสแสวงหาทรัพย์พอมีอายุขึ้นมาแล้วก็ลำบากในการเป็นอยู่เพรา ะ, ะนั้นก่อให้พวกเราทุกๆท่านนะนี่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้ า, จาที่ท่านสอนเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับชีวิตของพวกเราทางนั่นแหละที่หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันนะ จะเอาอะไรแจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้แกขนันธัทไาญาตโยมลูกหลานที่มาเกี่ยวข้องหลวงพ่อว่าไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าธรรมะถ้าแจกธรรมะและแจกทรรำคําสอนถ้าพวกเรารู้จักคุณค่านะขุกลุก ร, รู้จักคุณค่าธรรมะแล้วก็นําธรรมะและทำคําสอนไปอ่านไปศึกษากินไม่หมดเอ่านเท่าไหร่ก็กินไม่หม ด, เ, มหมดเพราะเหตุไร เพราะว่าเป็นคติตัวอย่างและเป็นแนวทางสําหรับพวกเราจะได้เดินอย่างไรจึงจะถูกต้องจากนั้นเราก็เดินไปตามแนวแถวธรรมะทำคําสอนทําอย่างนี้ผิดนะทําอย่างนั้นถูกนะควรทําใจอย่างนี้นะควรมีศีลธรรมอย่างนี้นะควรมีความนอบน้อมถ่อมตนอย่างนี้นะควรรู้จักปิดามารดาครูอุปชาอาจารย์กฎระเบียบบ้านเมืองอย่างนี้นะถ้าพวกเราฟังศึกษาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติ พวกเราก็จะเดินชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราก็จะราบรื่นมีความผาสุกแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ศึกษาแนวทางหรือว่าไม่ได้มีธรรมะไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยหลวงพ่อว่าบางทีเราอาจจะเดินผิดเดินถูกถ้าว่าได้ฟังธรรมคำสอนเข้าสู่จิตใจจิตใจของเรามีหลักเหตุผลจิตใจของเรามีธรรมะอยู่ในจิตใจแล้ว อยู่นัตจตานที่ใดไปน่าจจตานที่ใดความร่มเย็นเป็นสุขนะเพราะมีธรรมในใจเพราะนั้นหลวงพ่อเองที่จะแจกสิ่งอื่นหลวงพ่อแจกธรรมะเนี่ยแจกหนังสือแจกเอ็มพีสามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ็มพีสามของหลวงพ่อบางคนก็มาถามนะมาถามหลวงพ่อที่ฉันผมภาวนาอย่างนี้อย่างนี้เป็นยังไงหลวงพ่อเออ เอาเอ็มพสมหลวงพ่อไปฟังดูนะคือให้ฟังดูก่อนเพราะโดยมากเอ็มเอ็มพีสามของหลวงพ่อเนี่ยมีคนมาถามหลวงพ่อแล้วแต่หลวงพ่อไม่ระบุว่าหลวงพอ่อจะตอบปัญหาแต่หลวงพ่อพูดแต่เพียงว่าเออถ้าว่ามีปัญหาอย่างนี้นเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะปฏิบัติตนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้คือคนมาถามแล้วแต่หลวงพ่อไม่ได้ระบุชื่อลงไปในคําพูด เป็นแต่ว่สอนเหมือนกับคนนั่งต่อหน้าหลวงพอ่อหลวงพ่อก็บอกให้ฟังเอเกือบจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละเอ็มพีสามหลงพ่อเพราะนั้นพวกเราเอาเอ็มพีสามหลวงพ่อไปฟังแล้วถ้าว่าฟังแล้วมันยังไม่ถูกจุดตรงที่ตัวเองอยากจะถามอ่ะเอยากจะถามมันยังหาค้นหาไม่เจอฟังเกือบทุกกันแล้วเนี่ยให้เข้ามาถามได้แต่ปุปปับมัวมื มีเอานมาถามเฉยเลยเนี่ยหลวงพ่อไวยอย่าถามพอหลวงพ่อพูดในเอ็มพีสามหลวงพ่อเนี่ยเกือบทกกรูปแบบเกือบทกคำถามอยู่ในนั่นด้วยเอ่ครัว่าสรุปแล้วก็คือไม่มีกรรมมืออยู่ในอาจารย์หลวงพ่อมีความรู้ความฉลาดมีความสามารถได้ศึกษามาอย่างไรได้ศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาอย่างไรได้ปฏิบัติมาอย่างไรได้พบเห็นในความรู้สึกเออ มีประสบะการณ์มาอย่างไรโดยมากหลวงพ่อจะเอาลงใน m อ3สเพื่อจะให้คณะจตหาย า, ยาิโยมลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นใครอยากจะถามหลวงพอนะง่อน่ให้ฟังเอ3 p พีสามสัก่ฟังไปเรืเ่อยเรื่อยเรื่อยเืยถ้าฟังไปแล้วในเอ3สาไม่มีคาตอบเลยที่เราอยากจะรู้เนี่ยเอออนะันให้เข้ามาถามฮะถ้าถามแล้วก็ถ้าหลวงพ่อตอบได้หลวงพ่อก็จะตอบนะ แล้ไม่ใช่ว่าถามถามอะไรทุกอย่างตอบอะไรทุกอย่างไม่ใช่นะอพอหลวงพ่อไม่ไม่ใช่สยามผูะสยามผูรู้แจ้งโลกงอย่างพระพุทธเจ้านี่ยถามอะไรไม่ติดไม่คลองแต่ถามบางอย่างพระองค์ก็ไม่ตอบเหมือนกันนะออย่างชุนักขัตตาเลยถามถามเนี่ยพระองค์ก็ไม่ตอบถ้าพระองค์ไม่ตอบข้าพระองค์จะออกศึกนะพระองค์ก็เออศึกก็ศึกนะอย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะเพราะอะไร พอดูแล้วตอบแล้วไม่เกิดประโยชน์อย่างนั้นก็มีไม่ใช่ว่าถามอะไรตอบหมดทุกอย่างไม่ใช่นะนี่ก็เหมือนกันนะคณะรัตยาญาโยมลูกหลานให้ไปศึกษาเอาไปศึกษาดูก่อนเอ3สาของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าจะเกิดประโยชน์หลวงพ่อก็ฟังฟังทบทวนดูอีกเหมือนกันในการปฏิบัติถ้าว่าเราอยากจะรู้ว่าสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงเราก็ดู เรื่องสมาธิและปัญญาถ้าจะว่าพูดเรื่องไหนมันก็มีอ่านอ่านหัวข้อจากนั้นก็ฟังจุดนั้นเลยพอฟังจุดนั้นเรากจะเข้าใจว่าหลวงพ่อเน้นหนักจุดไหนในเอ3มสาหัวข้อนั้นๆจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมจึงได้อัด หลวงพ่อว่าสําหรับหลวงพ่อก็เบาอีกเหมือนกันนะทําไมจึงว่าเบาถ้าใครมาถามหลวงพ่อเออไปอะฟังเอ็มพีสามไปพอหลวงพ่อพูดนันะพอหลวงพ่อไม่นับว่าจะหนุ่มไปข้างหน้านะนับมันจะเป็นพระเฒ่าผ้าแก่ไปเรื่อยคันโค้งนักมาถามก็ถามควาเก่าคนนักมาถามกมาถามความเก่าเอหลวงพ่อก็จะตอบจากคําเก่ามันไหวเหรอ พูดจะเอ็มพีสามเราเคยเอาวิธีนั้งสมาธิทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเอียต่อมาหลวงพ่อพิธีทำทำสมาธิทำยังไงเออเราเคยมาเออทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคนไหนพิธีทำสมาธิทำยังไงเจ้าค่ะเออทำอย่างนี้อย่างนี้นะคนมาเป็นร้อยเป็นพันนสอนอย่างนั้นได้ยังไงทีนี้เพราะนั้นหลวงพ่อจะเออเอาวิธีการสธิทำสมาธิเบื้องต้นอยู่ในเอ็มพสามนั่นแ่ะไปฟังเอาเลยฮะ พวกเราจะรู้แต่ถ้าหากว่าฟังไปแล้วยังไม่ถูกจุดประสงค์ที่เราอยากจะฟังเนี่ยติดฟังดูแล้วที่หลวงพ่อพูดอย่างนั้นอย่างนั้นจริงแต่ว่าในจุดที่ผมอยากจะถามเนี่ยจุดนี้ฮเอออันนั้นเข้ามาหลวงพ่อก็จะอธิบายให้ฟังที่ถ้าหากว่าหลวงพ่อรู้นะถ้าไม่รู้ก็อย่างว่าเหมือนกันเออเอาวันนี้ได้ให้แนวความคิดกับคณะศรไทยา ญ, ญาติโยมที่ได้มา ทำบุญทำทานในวันนี้ตอต่อนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พอรอุทิศส่วนกุศลนนะ้อพวกเราท่านทั้งหลายนะ้